จะมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประภูติยาในวันนี้จะพูดเรื่องอเสกธรรมต่อไปอเสกธรรมนั้นก็คือสิ่งที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมมตัตตสิบก็ได้แก่อริมากมีองแปดประการแล้วก็ส่วนที่เป็นนิโรธอยู่สองประการเรียกว่าสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุต วันก่อนได้พูดมาถึงสมาวาิจาได้หน่อยหนึ่งก็คงจะเริ่มโดนที่สมาวิจาต่อไปอย่างที่บอกไว้ว่าสมาวาจานั้นประการสําคัญว่าเราต้องรู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยจะพูดอะไรจะพูดกับใครจะพูดอย่างไรพูดไปแล้วเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาต้องได้รับประโยชน์จากการฟัง ไม่จะพูดเป็นการหักล้างทำลายผลประโยชน์ที่คนอื่นเขาจะฟังผลหลักการตรงนี้จึงมาอยู่ที่กุบ้นจากการพูดเท็จตามที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาคือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบโดยจมูกลิ้นกายนะฮะแล้วก็ได้รู้มาด้วยใจ แต่การต่อไปก็คือกดเว้นจากการพูดส่อเสียดได้แก่ ง, งดเว้นจากการยุยงให้เกิดความแตกแยกนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้เพื่อต้องการให้คนสองฝ่ายทะเลาะ ก, กันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแล้วข้อต่อไปก็คือ ไม่ใจ่ข้อต่อไปคือข้อเนี้ยก็มาพูดคําที่เรามองคนด้วยความเป็นมิตรอย่างที่บอกว่ามองคนด้วยความเป็นมิตรถ้าเขายังไม่สามัคคีกันเราต้องการในมิตรเราในสามัคคีกันถ้าเขาสามัคคีกันแล้วเราต้องการในมิตรเนี่ยสามัคคีมากยิ่งขึ้นก็พูดกระชับไปก็เกิดสามัคคีมากยิ่งขึ้นถ้ามิตรเรามีข้าวจะแตกแยกกัน เราก็พูดจาประสานห้ก็เกิดสามัคคีกันทั้งสอนกระทั้งสามกรณีเนี่ยผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังทั้งนั้นประการต่อไปก็คืองดเว้นจากคำห ย, ยาบคำหยาบคาด่าทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าส่วนใหญ่ไม่จะเกิดจา ก, กโทสะนะครับคำหยาบแต่มักจะเกิดด้วยโทสะ ถ้าเกิดจากฤิษยาก็เจอโทสานะฮะฤติยาเนี่เจือโทสะอยู่เป็นคํำยาเป็นคาําด่าฟังแล้วก็ไม่สบายหูไม่สบายใจสแสลงใจนะฮะแสลงหูสแสลงใจสอนให้งดเว้นในพูดคาพูดเช่นนั้นแต่มาพูดคํารื่งไปเราะอ่อนหวานฟังแล้วสบายหูสบายใจแต่มีข้อแม่นะฮะคือเจตนาเนี่เป็นเรื่องใหญ่ ว่าเรามีเจตนาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงค้ามอาจจะไปร่าอ่อนหวานแต่ว่าเจตนาประทุศร้ายเนี่ยเช่นเราพูดยกเขาเกินเหตุเกินไปเนี่ยเช่นสมมติว่าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเรียกเขาเป็นคุณหญิงยางเงมันยกเขาเป็นเกินไปหรือว่าเป็นคนทั่วไปแต่ที่จะเรียกนางก็เรียกนางอะไรแต่ไหนเนี่ยจะถือว่าเป็นการกดเขา ไม่ให้เกียรติเขาตามสมควรแก่ฐานะถือเขาเป็นยังไงก็เรียกเขาเป็นอย่างนั้นการใช้สรรพนามที่เหมาะที่ควรนั้นก็เป็นวิธีการาหนึ่งๆที่ช่วยการสื่อสารดําเนินไปได้ ด, ด้วยดีประการต่อไปก็งึงมดเว้นแต่การพูดเพื่อเจริญไหลไหลรายสาระทั้งหลายที่โบราณตั้นเรียกว่าสำํารากเพื่อเจริ คือหาสาระแกนสารอะไรไม่ได้คนควังก็สูญเสียเวลาในการฟังตัวเองก็สูญเสียเวลาในการพูดแล้วก็ต่างคนต่างก็แกกันไปหลายนาทีแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการพูดการสื่อสารอย่างกันนี่ก็เรียกว่าสัมมาวาจาคือเจรจาในทางที่ชอบต่อไปก็สัมมากัมมันตะ ประพฤติชอบหรือการงานชอบเนะี่ยแต่จริงหน้าหน้าจะเรียกว่าประพฤตินะแต่พออดีท่านแปลว่าเป็นการงานกันมาตั้งแต่โบราณก็กลายเป็นการงานไปเป็นการยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ่งหือสิทธิหน้าที่ของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันให้เกยีกยรติกล่องกันนั่นคืออะไรก็คือว่า เคารพจิทธิในชีวิตของกันและกันไม่ทำอะไรที่เป็นการเบียเดเบียนบั่นทอนริดรอนทำลายชีวิตของบุคคลอื่นไม่ได้เจ้าจงเฉพาะค่าอย่างเดียวนะฮะแต่หมายความว่าอะไรก็ได้นะฮะถ้าเขาเดือดร้อนแล้วต้องงดเว้นให้เป็นการทุกขทรมานทรกรรมการประโนสัตว์ การดังแก้ด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยไม่ถูกไม่ควรทั้งนั้นต่การต่อไปก็คือในแนวของการปฏิบัติเนี่ยมันมีการปฏิบัติอย่างรากลึกลงไปหรือตัานเรียงไว้เป็นสีระดับเจะเราไม่ฆ่าสัตว์เองไม่ใช้คนอื่นฆ่าไม่ยกย่องสันเสริมผู้ฆ่า และไม่พอใจยินดีในการฆ่าและผู้ฆ่าหรือแม้แต่สิ่งที่ได้มาจากการฆ่าและการต่อไปก็คืองดเว้นจากการถือว่าสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยการแหงขโมยนี่ก็เหมือนกันนะงดเว้นจากการถือเอาเองงดเว้นจากการใช้คนอนะื่นในถือเอางดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญคนที่ลักขโมยงดเว้นจากการพอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาจากการขโมย แล้วก็งดเว้นจากการล่วงละเมิดในทางเพศเราพิดผิดในการเมสุมิจฉาจาร์นะฮะคือหมายความว่าช่วละเมิดสิทธิในคู่ครองของการละกันคู่ครองนั้นที่จริงมีรายละเอียดเดยอะทันว่าไว้ถึงสิบเจ็ดสิบสามสิบสี่ประเภทด้วยกันนะฮะที่ว่า้าผู้ชายไปล่วงเกินแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อนี้ แต่เราก็คงไม่เอาพิสดารขนาดนั้นเกิดสรุปไปนึกถึงคู่ครองของกันและกันเลยกันไม่ไปร่วงละเมิดทิทฐิในคู่ครองของเขาตรงนี้จะเป็นศีลนะสองข้อในเป็นศีลแต่ก็ยังมีข้อหนึ่งก็คือสมาชีวะการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เราเห็นว่าการเลี้ยงชีพมันก็เกี่ยวข้องกับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะเราต้องแสดงออกทางกายกับทางวาจาทำยังไงว่าการเลี้ยงชีพนั้นจะต้องทุกลําดับขั้นตอนของการแสวงหาการได้มาการดือครองการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของจะไม่เป็นการแสวงหาการได้มาการครอบครองในทางที่ไม่เป็นธรรม นั่นก็คือเป็นเรื่องของศีลสิกขาทั้งสามข้อในศีลสิกขาต่อไปก็เป็นสมาวัยมะคือความพยายามในทางที่ชอบความพยายามในที่นี้หมายถึงพยายามในการละบาปบาเพ็ญบุญนะ แต่ว่าความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตนั้นดอาลองสังเกตว่าคือธรรมะเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละอะริยมรรคเนี่ยมาเกิดขึ้นพร้อมมาด้วยกันทั้งแปดข้อนั่นแหละยงแต่ว่าข้อใดเด่นเราก็ถือว่าปฏิบัติข้อนั้นในขณะนั้นเช่นว่าการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยก็ต้องมีสติต้องมีความเพียรต้องมีใจสงบากความอยากแกฆ่า ต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการฆ่าเห็นคุณของการไม่ฆ่าแล้วก็มีความคิดในการที่จะดึงจิตออกจากปยาบาทมันก็ไปมาทั้งแผงนั่นเนะยงแต่ว่าเป็นการจำแนกแสดงออกไปเป็นข้อข้อเป็นบดหมวดไปประการต่อไปก็คือในสัมมาวยามะนั้น สรงใช้คำว่าให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทําความเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในการป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดแม่เกิดขึ้นแล้วก็คัจัดบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้บรรเทาไปหรือหมดสิ้นไปในชั้นของเสกธรรม อ, อเสกธรรมในหมายความว่าท่านมีคุณธรรมเหล่านี้สมบูรณ์ เป็นปกตินิสัยของท่านเป็นอย่างนั้นเองท่านไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะไปล่วงละเมิดอะไรใครแล้วก็ให้บุคบคลผูกขวางความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเปลี่ยนอย่างต่อเ น, นื่องในการเจริญกุศลคือเพิ่มพูนความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น จ่เกิดแล้วก็ให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นความดีอะไรที่เรามีอยู่แล้วที่เราเป็นอยู่แล้วที่เราทำได้อยู่แล้วเนี่ยพยายามรักษาความดีส่วนนั้นเอาไว้ไม่ให้เสื่อมไปนี่ก็เป็นสัมมาวายมะกล่าวโดยสรุปก็คือเพียนป้องกันเพียนป้องกันเพียนบำบัด ในฝ่ายของอกุสสน์มันก็มีสองฝ่ายคือฝ่ายที่ยังไม่เกิดกับฝ่ายที่เกิดแล้วฝ่ายที่ยังไม่เกิดก็เพียรพยายามป้องกันฝ่ายที่เกิดแล้วก็เพียรพยายามลดละหมายความว่าต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่หลงตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไปละไม่ได้ถือว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก ดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีเปลี่ยนพยายามที่จะบันเทาลดละให้ลงไปแล้วประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากุศลความดีทั้งหลายนั้นมันก็เปลี่ยนบํารุงก็เปลี่ยนรักษาคือส่วนใดที่ยังไม่เกิดก็พยายามให้เกิดขึ้นส่วนใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ พยายามรักษาไว้ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ด้วยเมตากันนะโลกเราเนี่ยอยู่ด้วยเมตากันทั้งหน่อยเป็นมิตรกันนะพูดง่ายว่าเป็นมิตรกันโลกมันจะน่าอยู่มันจะประหยัดอะไรอีกมากมายไกลกองทรัพยากรธรรมชาติจะไม่ถูกทำลายไปเพราะไปผลิดสร้างอาวุธปราปรานกัน แต่ความจริงแล้วเนี่ยโลกมันจะเจริญยังไงก็ตามทำไม่ได้เป็นเรื่องแปลกจริงๆว่าโลกจะเจริญมากมายไกลกองแต่วา็จริงก็ทำไม่ได้อย่างคงมีปัญหาอยู่ยางนั้นเนี่ยมีศึกสงครามเข้าของที่เอามาแ่านล้างแ่านกันเนี่มันราคาแพงเหลือเกินทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมากมายมหาสาศาศาัตวมากๆเพียงเพราะตอบสนองอารมณ์ ของบุคคลแต่นั่นเองแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาธรรมะเพียงข้อเดียวแต่นั้นเองวันเมื่อเราทําไกลขนาดนั้นไม่ได้แล้วเราไม่มีอานาจหน้าที่ที่จะไปทําสมมุติเราม่อาีอำนาจหน้าที่มันก็ทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนมันเยอะและเงื่อนไขต่างๆนี่สมมติว่า เราจะไม่ทําอย่างในกรณีสิบเอ็ดกันยายนเนี่ยสมมุติว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาไม่ต้องการจะแก้แค้นเวรย่อมระ ง, งับแต่การไม่จองเวรอย่างนี้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าอารมณ์โขนมากๆมันอยู่ไม่ได้โลกมันคงเป็นโลกอย่างเนี้ยนะเพราะฉะการไบบัติมันจึงเน้นไปที่ส่วนตัวถามเรื่องส่วนตัวตรงนี้เน้นไปที่ส่วนตัวนะ เราทำยังไงเราจะป้องกันบาปเราจะละบาปเราจะเจริญกุศลเราจะรักษากุศลเอาไว้ไม่ให้เสื่อมพยายามทําไปเต็มตำ ต, ตามกําลังสามารถอ่ะที่เราจะกทําได้ประการต่อไปก็คือสัมมาสติแปลว่าการตั้งสติชอบตั้งสติระลึกในทางที่ชอบนั้นก็คือ อาศัยสติสัมปชัญญะความเพียรสามด่างนะฮะระลึกถึงกายระ ล, ลึกถึงเบตนาระ ล, ลึกถึงจิตระลึกถึงธรรมเห็นตามความเป็นจริงว่ากายมิโกศแต่วกายไม่จะสัต์าาบุคคลตัวตนเราเขาเรียกวากายานุปัสสนา พิจารณาเวทนาจนเห็นว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาพิจารณาที่จิตจนเห็นว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและพิจารณาถึงธรรมจนเห็นว่าธรรมนี้ก็สักแต่ว่าธรรม ในธรรมนั้นที่จริงเป็นทั้งกุศล pues เป็นทั้งอกุศลนะคือส่วนที่เป็นกุศลก็มีส่วนที่เป็นอกุศลก็มีส่วนที่เป็นกลางๆงก็มีเช่นขันห้าเนี่ยก็เป็นกลางๆโดยเฉพาะรูปเวทนาสัญญาวิญญาณเนี่ยเป็นกลางๆงสังขารก็เป็นทั้งสามอย่างนะทั้งกุศลธรรมากุศลธรรมาพยกากาธรรมะหรืออายตนะตัวอายตนะเองมัน unda, เป็กลางกลางกัน แต่ว่าจิตที่มีท่าทีต่ออายตนะเท่านั้นเองอาจจะเป็นกุศลนกุศลขก้นมาได้นี่ก็เป็นการพยายามที่จะเข้าถึงความจริงใลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองสังเกตนะในธรรมะที่ส่งสอนเอาไว้สมับสมาสติเนี่ยอาตาปีก็คือความเพียรก็คือธรรมะวยญญา ธรรมชาตะนันก็คือสมาธิถี่สมาังกับปะสติก็คือสมาสติมันก็ซ้อนกันอยู่ในนั่นแหละธรรมะมันก็ซ้อนกันอยู่ในนั้นคือถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเราขยับเราลุกเราเดินเรายืนเราเดินเราเนัานาน่งเรานอนประสาททุกส่วนต้องทำงานประสานกันมันเกิดสะดุดชะงักจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่ได้จต้องไปด้วยกันได้ จิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปก็คือสมาธิการตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบหมายถึงการเจริญสมถกรรมฐานนะจะใช้อารมณ์กรรมฐานข้อไหนเป็นเครื่องมือในการเจริญก็ได้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย สมาธิก็เกิดขึ้นโดยลำดับเป็นสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิที่นานขึ้นแ้วเป็นสมาธิที่แน่วแน่แล้วจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นฌานฌานมันจะเกิดกุศลและธรรมขึ้นมาห้าข้อทาหน้าที่แก้ไขนิวรณ์ภายในจิตคนห้าขอ้อ คือวิตกความตึกนึกความเหนียวนึกที่เป็นกุศลนะฮะไปขจัดทีละมิท่าความก็เหงาหาหนอนซึ่งซึมหน้อยเหงาหดหูเคลิบเคลิ้มจืดชื่ชาเย็นเหนื่อยหน่ายท่อถอยสิ่งอะไรทั้งหมดให้ออกไปจากจิตใจแล้วก็ วิจารณ์นี่จะทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉาคือความเครือแปล่งสงสัยไม่แน่ใจในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในใจสิกขาเป็นต้นเนี่ยให้เบาบางไปจนหมดทิ้นไปนะตรงตรงนี้ตรงนี้หมดนะว่าจริงๆเนี่ยเพราะว่าเป็นเสกธรรมไปแล้วแต่ว่าเราพูดในระดับสามัญชนจะไปปฏิบัติเป็นลักษณะโดยเสด็จรอ ย, อยุคนบาทของพระพุทธเจ้า คือไม่ได้เอามาเต็มยศอย่างนั้นเต็มยศอย่างนั้นมันก็เต็มที่อนะแต่ก็แปลเต็มที่เอาไว้แล้วเพียงแต่ว่าอธิบายนั้นก็พยายามลดหลั่นลงมาอย่าให้มันหนักหนาราหัสเกินไปคือธรรมะที่จริงถ้าเราจับไปได้แต่ข้อมันก็ไปได้เยอะแล้วแต่มันจับไม่ได้นะอย่างอย่างเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสัมยัญญาความเพียรเนี่ย มันต้องใช้ตลอดเวลาในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยเราขาดสติไม่ได้เราขาดสตางค์อาจจะได้นะขาดสติไม่ได้สัมยัญ ญ, ญายังมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะสติสัมยัญ ญ, ญายังมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะคนที่สติสัมยั ญ, ญญาสมบูรณ์นะเป็นพระอระหันต์นะครับไม่ใช่สามัญชนนะเป็นพระอระหรันต์พราะองค์ฌานที่ก็เกิดขึ้นเนี่ย พอมาถึงปีติเขาก็ไปสงบที่พยาบาทมาถึงสุขก็ไปสงบที่อุตตจักกุกุจจาพอมาถึงเอกะกะตาคือตัวสมาธิาก็ไปสงบที่กามฉันแล้วมันก็สงบลึกลงไปเรื่อยๆพอถึงทุติยฌานวิตกวิจารณ์สงบไปแม้แต่เป็นกุศล น, นะฮะก็สงบไปยังเหลือแต่ปีติสุขกเอกะกะตา พอ ม, มาถึงตติชานแม้แต่ปีตินี่ก็สงบไปอย่างเหลือแต่สุกับเอกกตตาพอ ม, มาถึงจตุตฌานนะครับแม้แต่สุขก็หายไปยังเหลือแต่อุเบคาะกเอกะ ก, ะกะตาทีนี้พอองค์ทมทั้งแปดข้อเนี่ยเขาได้รับการปฏิบัติสมบูรณ์จนเรียกว่ามรรสบังคีคือมันเป็นอันเดียวกัน กะรค่ากระปรุงอาหารแล้วมันปนกันไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะหรือทำเค้กทำขนมอะไรทติกลวนนะฮะมันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วมันก็เกิดรสชาติขึ้นมาอีกรสหนึ่งพ้ตัวอริยมรรคจริงๆเนี่ยคือสมายญาติความรู้ในทางที่ชอบเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นในอริยสัจทั้งสี่ประการ น, นั่นเอง รู้ความจริงของอริยสัจว่า น, นี้เป็นทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกและรู้ภารกิจที่จะต้องกระทําในอริยสัจแต่ละข้อรู้ทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรจเจริญและรู้ว่าได้ทําแล้วคือรู้ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้ว นี่โรดที่ควรทำให้แจ้งและทาให้แจ้งแล้วมักที่ควรจะเรือนได้จะเรือนแล้วนี้ก็กลายเป็นความสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมขึ้นมาก็ทำให้เกิดเป็นสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบตัวเนี้ยเป็นตัวสัมมาญาณแล้วสร็จแล้วจิตใจก็หลุดพ้นนะัหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเป็นการหลุดพ้นในทางที่ชอบเป็นการหลุดพ้นระดับก็เรียกว่าสมุทเฉตวิมุต หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดปฏิปักษสัตทธิวิมุตต์หลุดพ้นด้วยสงบคือมา่ามันจะมีอะไรมากระตุ้นก็ไม่เกิดแล้วก็นิสชาวิมุตต์หลุดพ้นโดยออกไปออกไปจากอำนาจกิเลสอำนาจของสังสารและทุกข์โดยประการต่างๆเหล่าเนี้เต็มที่เขาเนี่เรียกว่าอาศกธก ร, รมทั่ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรร ม, มะในชีวิตประจําวันของคนเราทั่วๆไปเนี่ย เป็นการเดินตามรอยของพระอาสิะหรือเดินตามรอยพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าได้ใกล้ได้ใกล้ขนาดไหนก็เป็นรายละเอียดท่องฟังทั้งหลายใตร่มระโพธิญาณในวันนี้ขออุตติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี